วันนี้เป็นวันศุกร์ที่8ดกันยายนพุทธศักราช2566เป็นวันพระวันธรรมสวนาะวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมเพื่อสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวง รสทั้งปวงนี้หมายถึงรสของโลกธรรมคือรสของลาบยศสารเสรินและรสของความสุขจากการได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆรสของโลกธรรมนี้ซู้รสของธรรมไม่ได้รสของธรรมก็คือรสแห่งความสงบ รถแห่งธรรมนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อได้มาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติแล้วใจก็จะเริ่มเข้าสู่ความสงบ เมื่อใจเริ่มมีความสงบรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาตามลำดับจนถึงรถแห่งธรรมที่สมบูรณ์เต็มร้อยผู้ใดที่ได้ใส่ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วจะไม่มีความปราทนา ที่อยากจะกลับไปเสพรสของโลกกระทำคือรสของลาบยศสารเสริญสุขอีกต่อไปเพราะรสของลาบยศสารเสริญสุขนี้เป็นของชั่วข่าวเป็นของที่จะกลายจากความสุขมาเป็นความทุกข์เพราะเมื่อสิ่งที่ให้ความสุขนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปมีการเสื่อมหมดไปความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านั้นก็หมดไปพอความสุขหมดไปความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่นี่คือปัญหาของความสุขของโลกกระทำ ได้ลาบมาแล้วก็ต้องมีการเสื่อมลาบไปเป็นธรรมดาไม่ช้าก็เร็วไม่หมดไปตอนที่เป็นก็ต้องหมดไปตอนที่ตายได้ยศมาก็เช่นเดียวกันได้ยศได้ตําแหน่งมามเดี๋ยวพอครบวาระ<ม>เช่นเป็นรัฐบาลเป็นนายกเป็นสอสอเป็นรัฐมนตรีพอครบวาระสี่ปี ก็มีอันสิ้นสุดลงพอสิ้นสุดลงแล้วก็จะเกิดความเศร้าขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้สรรเสริญได้การยกย่องด้วยการรับรางวัลต่างๆก็เป็นของชั่อข่าวบางวันบางโอกาสก็แทนที่จะได้รับการสรรเสริญยกย่องก็อาจจะ ได้รับการตำหนิตีเตียนนินทาเวลาได้รับความตำหนิก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผดพ้าก็เป็นความสุขที่ชั่วคราวเดี๋ยวเดียวเหมือนควันไฟเวลาได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ กใจก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาแต่บางเวลาก็ไปเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัที่ไม่ถูกใจก็จะทำให้เกิดความเศร้าใจทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็ราบยศสรรเสริญสุขนี้ก็ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์ที่แข็งแรง ถึงจะสามารถหามาให้ใจได้เสพได้สัมผัสได้แต่ร่างกายก็เป็นของชั่วคราวร่างกายนี้เมื่อ เ, เจเติบโ ต, ตขึ้นมาแล้วก็จะมีความพร้อมที่จะไปหาลาภโยศสารเสริญสุขแต่ร่างกายนี้ก็จะไม่ได้ สมบูรณ์แข็งแรงไปตลอดเวลาพอเวลาผ่านไปผ่านไปร่างกายก็จะต้องเข้าสู่วัยชราเมื่อมีเข้าสู่วัยชราแล้วก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาความสามารถในการที่จะหาราบยศสระเสริญสุขเหมือนตอนที่เป็น เ, เป็นหนุ่มเป็นสาว ที่มีกำลังวังชาที่มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ก็จะเป็นไปได้ยากขึ้นตามลำดับจนไปถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็คือความตาย mm hmm. พอร่างกายตายไปแล้วโล ก, กธรรมทั้งสี่ที่หามาได้มากน้อยก็จะต้องหมดไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาโล ก, กธรรมใหม่ได้อีก นี่คือปัญหาของการหาความสุขทางโล ก, กธรรมหาความสุขจาการาโยสดราสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลสะ พ, พ้ะต่างๆมันเป็นความสุขที่ชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงแล้วก็เป็นความสุขที่ จะหามาแต่ละครั้งก็ไม่ใช่เป็นของง่ายจะหาเงินทองก็ไม่ใช่เป็นของง่ายจะได้ยศได้ตำแหน่งก็ไม่ใช่เป็นของง่ายเวลาอยากได้แล้วไม่ได้ก็จะเกิดความเสียใจตามมาเช่นเดียวกันสรุปแล้วก็คือโลกกรรมทั้งสี่คือลาบยศเสริญศุกนี้มันเป็นทุกข์ ไม่ว่าใครก็ตามถ้าไปหลงติดอยู่กับการหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นล่นจะต้องเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าก็เคยสัมผัสกับความสุขแบบนี้มาก่อนสมัยที่พระองค์เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธ, ธัตถะ มียศมีตำแหน่งถึงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากมายมีปราสาทสามฤดู <Yeah. S 1> ไว้ให้พำนักให้เปลี่ยนไปตามฤดูกาล mm hmm. เวลาฤ ด, ดูฝนก็ไปอยู่ที่ปราสาทอันหนึ่ง mm hmm. เวลาฤ ด, ดูหนาวก็ไปอยู่อีกอันหนึ่ง เวลาอดูร้อนก็เปลี่ยนไปอยู่อีกการหนึ่งมีความสุขจากราบยศสารสนุสแต่พระองค์ก็ทรงเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายของพระองค์เองเมื่อได้องเมื่อเคยเมื่อได้เสด็จออกไปเที่ยวนอกพระราชวัง ได้ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายก็ทำให้เกิดความเศร้าใจไม่สบายใจขึ้นมาเพราะทรงรู้ว่าต่อไปพระองค์ก็จะต้องแก่ต้องเจ็บแล้วจะต้องตายก็ทำให้พระองค์นี้ไม่มีความสุขกับการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรส ผลทพะอีกต่อไปองค์ก็อยากที่จะไปหาความสุขอีกรูปแบบหนึง่งความสุขที่พวกนักบวชเขาหากันคือความสุขที่เกิดจากการควบกลุ่มใจให้ตั้งอยู่ในความสงบพอใจตั้งอยู่ในความสงบได้แล้วใจก็จะนิ่งจะเย็นจะมีความสุข โดยที่ไม่ต้องอมีราบยศเสริญมีรูปเสียงขีดรดมาให้ความสุขเป็นความสุขที่ไม่ยุ่งยากเป็นความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราแล้วมีอยู่ในใจของเราแล้วเพียงแต่เราทําให้มันเกิดขึ้นมาด้วยการหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆเท่านั้นเอง พระ อ, องค์ก็เลยทรงตัดสินพระทัยออกบวชแล้วก็ไปหาความสุขจากลถแห่งธรมรมคือลถของความสงบนในการรักษาศีลศีลของนักบวชก็คือตั้งศีลแปดขึ้นไปเพื่อที่จะระงับไม่ให้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ เราจะได้มีเวลามาควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆเพราะถ้าปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆใจก็จะไม่สงบเมื่อใจไม่สงบใจก็จะไม่มีความสุขนี่คือ วิธีหาความสุขที่เป็นรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงก็คือรถของความสงบนี้ต้องยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายยุติการหาลาบยศสรรเส ร, ริญ mm hmm. เช่นวันนี้พระพุทธเจ้าเลยมีการกำหนดให้สาธุชนพุทธบริษัท ผู้ปรารถนาความสุขจากรถแห่งธรรมนี้ให้ระงับการหาราบยศสรรเสริญสุขดึงวันด้วยกันไม่ต้องไปทำงานทำการหาเงินหาทองอาทิตย์นย่งนี้หาหกวันก็เหลือเฟือแล้วเรื่องการหาเงินหาทองหายธหาตำแหน่งหาการสรรเสริญยกย่องยืนยอ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณพ์ชนิดต่างๆอาทิตย์หนึ่งนี้อนุญาตให้หาได้ถึงหกวันด้วยกันขอเพียงวันเดียวเท่านั้นเองให้สาธุชนพุทธบริษัทได้มาเปลี่ยนวิธีหาความสุขเพื่อที่จะได้มีขอมีทางเลือกต่อไปเพราะถ้า ถ้าไม่มาศึกษาวิธีการหาความสุขจากลถแห่งธรรมไม่รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขจากลถแห่งธรรมเวลาที่มีอุปสรรคในการที่จะหาราบยศสารเสริญสุขนี้ก็จะไม่สามารถมาหาความสุขจากลถแห่งธรรมได้เพราะไม่ได้ศึกษาวิธีการ ไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการเลยไม่รู้ว่าว่าการจะการที่จะสัมผัสกับรถแห่งธรรมนี้จะทําอย่างไรกันต้องมาฝึกซ้อมกันก่อนเหมือนคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นต้องมาหัดว่ายน้ํากันก่อนเพราะถ้าเวลาไปลงเรือแล้วเกิดเรือล่มขึ้นมาหรือพลัดตกลงไปในน้ํา ไม่มีชูวชีพนี่ถ้าว่ายน้ําไม่เป็นก็จะต้องจมน้ําตายไปแต่ถ้าว่ายน้ําเป็นก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรอันใดความสุขที่เราได้จากลาบยศสารเสริญนี้ก็เป็นเหมือนความสุขที่เวลาที่เราอยู่บนเรื อ, อมไม่ตกลงไปในน้ําหรือเวลาที่เรือยังไม่ล่ ม, มถ้าเรือล่มเมื่อไหร่ เราก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่บนเรือได้เราก็ต้องหาความสุขจากการอยู่ในน้ำถ้ารู้จักว่ายน้ำก็ไม่เดือดร้อนลงลงไปในน้ำก็ว่ายได้ถ้าไม่ฝึกการว่ายน้ำไว้ก่อนล่วงหน้าพอเวลาตกน้ำนี่ก็จะตะ ก็จะจมน้ําตายไปเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้ชาวพุทธเหล่านี้มาฝึกวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ลาบยศจรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นลดผลตภะไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายให้มาหาความสุขจากการจเจริญสตินั่งสมาธิ กวบคุมใจให้หยุดคิดปรุงแต่งให้ได้เท่านั้นเองเคล็ดลับมันมีง่ายๆแค่นี้แต่มันทํายากเพราะว่าไม่เคยฝึกมาก่อนเหมือนกับทําอะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนมันก็เลยยากคนที่ไม่เคยว่ายน้ำว่ายน้ําไม่เป็นนี่เวลาจะหัดว่ายน้ําก็รู้สึกจะว่าจะยากคนที่ไม่เคยขับรถพอจะมาหัดขับรถก็จะรู้สึกว่ายาก เพราะว่าเป็นของที่ไม่เคยทำมาก่อนเท่านั้นเองมันไม่ได้ยากที่ตรงไหนยากตรงที่ไม่ได้เคยทำมาก่อนพอได้มาทำไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะทำได้อย่างชำนาญอา่าตอนนี้เรายังมีกำลังวังชามีความสามารถที่จะไปวดัดไปอยู่วัดได้ ไปฝึกสติไปนั่งสมาธิไปรักษาศีลแปดจันเราก็ควรที่จะมาฝึกทำกันเพราะว่าเรือที่เราเรือที่เราอาศัยอยู่คือร่างกายนี้มันก็เป็นของชั่วกราวเดี๋ยวมันก็ต้องล่มเดี๋ยวมันก็ต้องจมใจที่อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขพอร่างกายหมดสภาพ ใจก็ไม่รู้จะหาความสุขอย่างไรถ้าออพึ่งการหาความสุขผ่านทางร่างกายเพียงอย่างเดียวออพอร่างกายเป็นอะไรไปนี่ออก็จะไม่สามารถหาความสุขได้ก็จะต้องอยู่แบบทุกข์ทรมานใจไปจนกว่าจะตายไปแต่ถ้าได้มาฝึกวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย หาความสุขจากรถแห่งธรรมที่ใช้การปฏิบัติรักษาศีลเจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็จเจริญปัญญาถ้ารู้จักใช้ศีลใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาแล้วก็จะสามารถใช้ศีลสติสมาธิปัญญานี้ เป็นเครื่องมือหาความสุขแทนที่จะใช้ร่างกายได้เวลาที่ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรต่อใจเพราะใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจยังแข็งแรงเหมือนเดิมอยู่ใจยังสามารถรักษาศีลได้ยังสามารถเจริญสติได้ยังสามารถนั่งสมาธิได้ยังสามารถพิจารณาปัญญา เพื่อให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆได้นี่แหละคือความสำคัญของวันพระที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมผู้ผู้ยินดีในรถแห่งธรรมนี้ให้มาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันมาเตรียมตัวไว้ก่อนช่วงหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายของเรานี้ จะเป็นอย่างไรขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าโลกเหล่านี้จะเป็นอย่างไรมันจะสงบจะเอื้อต่อการหาราบยศสารเสริหารูปเสียงกิรลดไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรืออาจจะมีภัยต่างๆเกิดขึ้นมาอาจจะเป็นสงครามอาจจะเป็นโรคระบาดอย่างที่ผ่านมาเราคงได้เห็น เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของโลกที่เราอยู่นี้แล้วออช่วงที่มีโรคระบาดนี้ทุกคนนี้ต้องอยู่ภายในบ้านออกไปข้างนอกไม่ได้ออกไปหาลาบยศสารเสริญออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดสะพาชนิดต่างๆไม่ได้ออกไปไม่ได้ก็เหมือนคนติดคุกคนที่ติดคุกก็มักจะไม่ค่อยมีความสุข เพราะไม่สามารถไปหาสิ่งที่เคยให้ความสุขกับตนได้นั่นเองก็ต้องอยู่แบบเศร้าส้อยหงอยเหงาไป<ม>บางคนถ้าทนไม่ได้ก็อาจจะคิดฆ่าตัวตายไปก็มีมนี่คือ<ม>เรื่องของโลกธรรทที่เรายึดติดกัน<ม>อาศัยเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเรา เราต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นภัยมันเป็นโทษอย่าไปยึดอย่าไปติดมันให้ได้เลิอกอาศัยลาบยึสรรเสริญเลิอกอาศัยความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดผลตภะมาให้ความสุขกับเราแล้วมาเปลี่ยนวิธีหาให้ความสุขกับเราด้วยการมาศึกษาจากพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ ว่าวิธีที่จะหาความสุขอยากลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้ง่วงนี้ให้หากันอย่างไรวิธีที่จะหามันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกับเวลาที่เราไปหาเงินหาทองเวลาเราไปทำงานทาการนี้เราไม่ได้ทำแค่ครึ่งชั่วโมงหรือสิบนาทียี่สิบนาทีเราทำทั้งวันอย่างน้อยก็ต้องแปดชั่วโมงขึ้นไป ในการที่เราจะทำงานทำการเพื่อเรามีรายได้เข้ามาอย่ในงในการหารดแห่งธรรมมาให้ใจได้เศษได้สัมผัส <c oughs> ก็เป็นงานที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง <c oughs> ไม่ใช่ทำแค่สิบนาทียี่สิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งหรือะไรทำนองนั้นเป็นงานที่ต้องทำทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่า น, นั้นในวันพระนี คอตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่ก็เริ่มเริ่มต้นนะแล้วเวลาเราตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่ก็คือเริ่มต้นของวันพระแล้ววันพระก็จะไปสิ้นสุดลงในวันวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะตอนที่เราตื่นขึ้นมามในช่วงวันพระนี้ตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนกระทาั่งถึงเวลาที่เราหลับไปในตอนคืนของคืนนี้เราต้องอย่าปล่อยให้เวลาที่เราตื่นอยู่นี้ ไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้มีการปฏิบัติไม่มีไม่มีการาสัมผัสกับรถแห่งธรรมเราต้องถ้าเบื้องต้นถ้าเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขจากความสงบนี้หาอย่างไรเราก็ต้องศึกษากันเช่นมาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อให้รู้ว่าการหาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ หาอย่างไรและหามหามากน้อยเท่าไหร่ต้องทํามากน้อยเท่าไหร่คําตอบก็คือต้อง ท, าอทํ า, า ท, ทั้งวันทั้งคืนหนึ่งวันกับหนึ่งคืนวันพระนี้มีมีหนึ่งวันกับหนึ่งคืนรวมกันเรียกว่าเป็นวันพระยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยกันนับตั้งแต่พระาทิศขึ้นของวันของวันนี้พอพระาทิศขึ้นก็ถือว่าเป็นวันใหม่แล้วเป็นวันพระขึ้นมา แล้วก็จะไปจบลงในวันพรุ่งนี้เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นมาใหม่ครบับช่วงของวันพระงนี้ก็จะมีเวลาประมาณ24ชั่วโมงด้วยกันเราก็ต้องเอาเวลาทั้ง24ชั่วโมงนี้มาให้กับการสร้างความสุขหรือมาสร้างรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงอย่าเอาเวลานี้ไปใช้กับการ หาลาบยศสารเสริญศุกร์เราก็ต้องหยุดทํางานกันสําหรับท่านที่ไม่สามารถหยุดทํางานในวันพระได้เช่นวันนี้เป็นวันศุกร์ทางราชการนี้ยังไม่หยุดทํางานทางห้างร้านเขาไม่หยุดทํางานถ้าท่านทํางานรับราชการหรือทํางานตามห้างร้านต่างๆ ท่านก็จะต้องเปลี่ยนวันพระของท่านให้ไปเป็นวันหยุดที่ตรงกับวันหยุดทํางานของท่านคือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ถ้าจะมาใช้วันพระตามแบบเดิมนี้มันก็จะไม่มีเวลามากเพราะนานๆจะตรงวันพระจะไปตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์จะไปตรงกับวันหยุดทํางานของท่านเพราะฉะนั้นท่านจะต้องมี ต้องมีการปรับเปลี่ยนวันพระให้มาตรงกับวันหยุดทำงานเพื่อที่จะได้มีอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งที่จะได้มีเวลามาให้กับการมาฝึกฝนในการหาความสุขจากลดแห่งธรรมกันถ้าเราไม่ปรับเราก็จะขาดทุนเพราะว่าวันพระนี้จะไม่ตรงกับวันหยุดเราเป็นส่วนใหญ่ อาทิตย์หนึ่งนี่จะมีสองวันที่ตรงกันเวลาวันพระมาเจอซึ่งก่าจะมาเจอแต่ละครั้งก็ประมาณเดือนสองเดือนด้วยกันเราถึงจะมีวันพระของเราจะมีวันพระให้เราได้ไปศึกษาได้ปฏิบัติธรรมกันฉนั้นเราต้องเปลี่ยนวันพระถ้าเราต้องทำงานในวันพระอย่างวันนี้อย่าไปถือปฏิทินแบบเดิมเพื่อวันขึ้น ขึ้นแปดข้าขึ้นขึ้นขึ้นแปดขาลามแปดข้าหรือเจ็ดข้าหรือสิบห้าข้หรือสิบสี่ข้าเนี่ยเราต้องเลิกเปลี่ยนวิธีนับวันพระเอาวันพระคือวันหยุดทำงานของเราเพืเราจะได้มีเวลาว่างทั้งวันให้กับการศึกษาและกับการปฏิบัติธรรมนั่นเอง แต่สำหรับท่านที่ไม่ต้องทำงานรับราชการหรือทำงานกับห้างร้านือเป็นผู้ที่ทำงานอิสระสามารถเลือกวันหยุดทำงานได้ก็สามารถที่จะใช้วันพระแบบเดิมได้อย่างวันนี้ท่านที่มาฟังเทศฟังธรรมที่นี่ก็แสดงว่าท่านไม่ต้องไปทำงานกันท่านสามารถใช้วันพระแบบเดิมนี้เป็นวันที่ จะเอามาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรร ม, มเพื่อเพื่อเพื่อลดแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวง<ม> น, นี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราจะต้องมีการปรับปรุงตัวเราเองถ้าเราอยากที่จะเข้าถึงลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเราต้องมีเวลาศึกษาต้องมีเวลาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็ยี่บสี่ 2ี่ชั่วโมงหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนี่ขอให้เป็นเวลาที่เรามาใช้กับการสร้างธรรมะกันสร้างรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงกันเบื้องต้นสิ่งที่เราจะต้องทำก่อนก็คือเราต้องห้ามสร้างกฎระเบียบขึ้นมาห้ามไม่ให้เราไปหาลาบยศสนรสนไปหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรถผดพภพากัน ด้วยการถือศีลแปดเนี่ยเวลาเราถือศีลแปดนี้เราก็จะเหมือนกับปิดตาหูจมูกนิ้วกายของเรามไม่ให้ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสผดธะพะชนิด ต, ต่างๆมาเสษเนเช่นเราศีลข้อสามของศีลห้าเราก็มาเปลี่ยนเป็นอั ร, รมมจริยาคือการประพฤติแบบพรรมจันทร์คือการไม่หาความสุขจากการร่วมเพศ กับผู้ครองของเราถ้าเรามีแฟนมีสามีมีภรรยาวันนี้เราก็ต้องบอกแฟนว่าวันนี้เราต้องงดหนึ่งวันเนื่องการหาความสุขจากการร่วมเพศกันก็จะเอาเวลามาให้กับการหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมจากการศึกษาธรรมแล้วก็สีลข้อหกก็ให้เราลดการรับประทานอาหาร ให้ทาให้ให้พอพอประมาณกับความต้องการของร่างกายคือรับประทานเพียงมื้อหรือสองมื้อก็พอแต่ไม่เกินไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะยุติการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มต่างๆที่เป็นรูปเสียงกลิ่นลดผลพระชนิดหนึ่ง ที่เราต้องการที่จะละเวน้นที่เราจะไม่ต้องการจะเสกเพราะถ้าเราไปเสกเราก็จะไปติดแล้วเราก็จะไม่มีเวลามาให้กับการปฏิบัติทำเพื่อทำใจให้สงบนั่นเองออแล้วสีลข้อที่เจ็ดเราก็ต้องระ ง, งับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆเช่นมารามาหารหอมรสดบันเทิงต่างๆ ละการร้องลำำัม ท, ทำเพลงทำร้องลัมทาเพลงดูภาพยนตร์ดูละครไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆอะไรเหล่านี้เป็นเรื่องของการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเช่นเดียวกับการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยการใช้เครื่องสำอางใช้น้ำมันน้ำหอมต่างๆ อันนี้เราก็ต้องงดไปเพื่อที่เราจะได้เอาเวลาที่เรามาใช้กับเรื่องราวเหล่านี้มาให้กับการปฏิบัติธรรมนั่นเองแล้วการหลับนอนของเราก็ต้องลดการนอนให้น้อยลงให้พอต่อความต้องการของร่างกายซึ่งร่างกายถ้าได้พักผ่อนหลับนอนคืนละสี่หรือห้าชั่วโมงนี้ก็จะพอเพียงไม่ต้องนอนมากไปกว่า น, นั้น วิธีที่จะทำให้ไม่นอนมากไปกว่านนั้นก็คืออย่าไปนอนบนเตียงสำารานเตียงที่มีฟูกหนาๆเตียงที่นอนหลับแล้วสบายเวลาร่างกายตื่นขึ้นมาใจก็ยังจะไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่อจะทำให้สูญเสียเวลามนนีค่าไปให้กับการหลับนอนโดยโดยไม่จำเป็นให้นอนบนที่นอนที่เป็นพื้นแข็ง ใช้ผ้าปูหรือใช้เสื่อปูแล้วก็ใช้หมอนใบหนึ่งก็นอนได้แนละ้วไม่จำเป็นที่จะต้องนอนบนฟูกนันนะเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายนอนบนพื้นแข็งๆมันไม่สบายมันก็จะทำให้เรารีบลุกขึ้นมาเพื่อที่ได้จะได้มาเจริญสติมานั่งสมาธิต่อไปนั่นเอง น, นี่คือเบื้องต้นของการที่จะหาความสุขจากลถแห่งธรรมที่ชนะลถทั้งปวงเราต้องปิดวิธีหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายลงไปด้วยการถือศีลแปดขึ้นไปศีลแปดก็ได้ศีลสิบก็ได้ศีลสองรอยิบเจ็ดก็ได้ศีลเหล่านี้จะเป็นข้อห้ามไม่ให้ใจไปทำธุรกรรมต่างๆที่ไม่ ไม่ได้ทำให้ใจเกิดความสงบขึ้นมาแล้วถ้าเรารักษาศีลได้แล้วเราก็ควรจะหาสถานที่ที่สงบวิเวกสถานที่เราอยู่คนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเพราะเวลาเรายุ่งเกี่ยวกับใครนี่เราจะต้องใช้คำพูดใช้ความคิดกันพูดไปคิดไปมันก็จะทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ มันต้องไปอยู่ที่มันไม่มีใครที่เราต้องไปเกี่ยวข้องด้วยถ้าเป็นไปได้แล้วก็อยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสที่ยั่วยวนกวนใจอย่าไปอยู่ใกล้คนที่เขากินอาหารเย็นกันอย่าไปอยู่ใกล้คนที่เขาดูภาพยนตร์ดูละครกันอย่าไปอยู่ใกล้คนที่เขาเปิดเสียงฟังเพลงฟังอะไรกันอันนี้ถ้าไปอยู่ใกล้แล้วพอได้สัมผัส กับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเคยชอบที่เราชอบมันก็จะทําให้เกิดการมาฉันทะขึ้นมาเกิดวความอยากที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่ น, น้นมันก็จะทําให้ใจนี้ฟุ้งซ่านขึ้นมาฟุ้งขึ้นมากระตือลือร้นขึ้นมาก็กสับก็สายยากต่อการที่จะทําให้ใจสงบได้นั้นจําเป็นที่จะต้องไปปลีกวิเวก ไปหาที่ไม่มีเสียงรบกวนใจต่างๆไม่อยู่ใกล้ใครอยู่คนเดียวตามลาฟังเพราะการที่จะทาใจให้สงบนี้ร่างกายต้องสงบก่อนร่างกายต้องสงบจากรูปเสียงกลิ่นลดผลตภะชนิดต่างๆก่อนถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการภาวนาการเจริญสติการนั่งสมาธินี้จะเป็นไปได้ยากและจะไม่เกิดผลขึ้นมา แล้วมันก็จะทำให้ผู้ปฏิบัตินี้อาจจะมีความท้อแท้เบื่อหน่ายได้ปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลสักทีอันนี้เพราะว่าไม่ได้ศึกษาวิธีปฏิบัติอย่างละเอียดนั่นเองต้องรู้จักวิธีเช่นที่ได้แสดงมานี่ต้องเบื้องต้นต้องมีการสํานวมตาหูจมูกนิ้นกายสํานวมอินทีย์ เรียกว่าการรักษาศีล เ, เป็นการสำรวมตาหูจมูกนิ้วกายแล้วก็ขั้นที่สองก็ไปหาที่สงบสงัดวิเวกอยู่ตามลำพังไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครแล้วข้อที่สามก็คือต้องไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปรับประทานพอประมาณถึงแม้จะรับประทานถือศีลแปดบางทีก็ยังรับประทานได้มากอยู่ให้ลดปริมาณลง รับพอให้ร่างกายได้อาหารพอรู้สึกว่าไม่หิวแล้วก็หยุดรับประทานอย่ารับประทานจนอิ่มจนพุงกลางอย่างนี้ก็ยังถือว่ารับประทานมากเกินไปถึงแม้ว่าจะถือศีลแปดก็ตามถึงแม้จะไม่รับประทานหลังเที่ยงวันไปแล้วแต่ก็พยายามรับประทานให้มากมากก่อนเที่ยงวันมีอยู่สองมื้อดีไม่ดีอาจจะรับประทานสองสามครั้งด้วยกัน กลัวจะหิวตอนเย็นไม่ต้องกลัวหรอกมันความหิวไม่ได้เกิดจากร่างกายมันเกิดจากใจที่มันเคยกินเป็นนิสัยพอถึงเวลามันก็อยากจะกินขึ้นมาพอมันอยากจะกินมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกหิวโหยขึ้นมาแต่ตัวร่างกายเองมันไม่หิวหรอกถ้าหิวมันก็ไม่ไม่ถึงกับเป็นปัญหาอะไรมันก็เพียงแต่ทำให้เรารู้สึกว่าท้องมันว่างๆเบาๆ ซึ่งท้องว่างท้องเบาหนี้กลับเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อการมาฝึกสมาธิใช่เพราะถ้ากินมากๆนี้ทั้งท้องหนักท้องเต็มมันจะทําให้หนังตาหย่อนมันจะทําให้อยากจะหลับอยากจะนอนดังนั้นการรับประทานอาหารนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้ที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิเพื่อมาสัมผัสกับรสแห่งธรรมนี้ จำเป็นที่จะต้องอย่ารับประทานอาหารโดยประมาณรับรับประทานพอให้ดับความหิวของร่างกายไปได้ก็พอแล้วถ้ามันจะหิวอีกก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาอะไรความหิวนี่มันจะกระตุ้นให้เราไม่ง่วงไม่ขี้เกียจมันจะทำให้เราขยันในการที่เราจะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบการรับประทานอาหารพอประมาณ การรู้จักการบริโภคนี่เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องให้ความสำคัญการรักษาศีลเป็นเรื่องการสำคัญการมีสถานที่ที่สงบเป็นเรื่องสำคัญการบริโภคอาหารก็เป็นเรื่องที่สำคัญต้องรู้จักประมาณไม่มากเกินไปแล้วถ้าเกิดเราไปอยู่ที่บางทีเราจะต้องไปจับ ต้องไปเจอกับคนนั้นคนนี้เวลาที่เราไปทำกิจกรรมร่วมกันเ mm hmm. ช่นไปอยู่ที่วัด mm hmm. ก็ต้องมีกิจกรรมที่เราทำร่วมกันบางเวลาเ mm hmm. ช่นเวลาเช้าอาจจะต้องมาร่วมรับประทานอาหารกันหรือร่วมฟังเทศฟังธรรมกัน mm hmm. เราก็ต้องระมัดระวังอย่าคุกคลีกันมากจนเกินไป mm hmm. มารวมกันก็ช่วงเฉพาะเวลาที่มีกิจกรรมจาเป็นเท่านั้น หรือถ้าเป็นไปได้ก็ไปอยู่ที่ที่ไม่มีกิจกรรมที่ต้องมาร่วมร่วมกันเลยจะดีกว่า <Yeah. S 1> นี่ก็คือข้อที่อีกข้อหนึ่งของผู้ปฏิบัติก็คืออยา่าคลุกคลีกัน mm hmm. อยา่าอยา่าจะอย่าจับเข่าคุยกันอย่าสังคมกัน mm hmm. ให้เราอยู่คนเดียว mm hmm. ถึงแม้จะไปอยู่ในที่เดียวกันในวัดหรือในสถานที่ปฏิบัติก็แยกกันอยู่กัน mm hmm. อย่าเข้าหากัน mm hmm. อย่ามา คุยกันเพราะคุยกันแล้วมันจะทำให้ใจฟุง้งจะทำให้ใจคิดปรุงแต่งมากแล้วจะทำให้ยากต่อการที่จะมาทำใจให้สงบได้นะต้องไม่ไม่คุกทีกันแล้แล้วข้อสุดท้ายที่ต้องทำก็คือต้องเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลาหลับนี้ต้องพยายามควบคุมความคิดให้ได้ด้วยการใช้สติ การใช้สติคือถ้าเรามีสติพอมีความคิดเราก็ต้องเราก็ต้องหยุดมันทันทีถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้แสดงว่าเราไม่มีสติเราก็ต้องจะสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติขึ้นมาเพื่อให้หยุดความคิดก็ต้องใช้คำกรรมฐานเป็นอารมณ์กรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เราจะใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเช่นใช้พุทธานุสตินี่ คือใช้พระพุทธเจ้าด้วยการสวด บ, บทพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณก็ได้ถ้าเราจดจ่ออยู่กับการสวรดพุทธคุณธรรมคุณสังคุณคืออิติปิโสใจเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าเราจดจ่อจริงๆถ้าเราใหม่ๆเรายังไม่จดจ่ออย่างเป็นที่ใจเรายังแวบไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ มาแข่งกับเวลาที่เราสวดได้อยู่แต่ตอนต้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปให้ความสาคัญกับความคิดต่างๆให้ความสาคัญกับการสวดอิติปิโสหรือถ้าเราไม่อยากจะสวดเราจะใช้คำบาลีรมพุทโธพุทโธแทนก็ได้หรือพุทโธธรรมโมสังโฆไปก็ได้หรือธรรมโมอย่างเดียวก็ได้สังโฆอย่างเดียวก็ได้พุทโธอย่างเดียวก็ได้ อันนี้เป็นการเป็นการสร้างสติขึ้นมาเป็นการหยุดความคิดด้วยการใช้พุทธานุสติเราต้องขยันนะลืมตาขึ้นมาปุพอใจมันเริ่มคิดถึงคนนั้นคนนีเนน้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเวลาที่เราไปทากิจส่วนตัวเช่นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันหรือรับประทานอาหารนะ่ะเราก็พุทโธพุทโธไป อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือการเจริญสติการเจริญสติก็เพื่อรั ง, งับความคิดปรุงแต่งไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆด้วยการด้วยการบังคับให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่คำให้อยู่กับความคิดคือพุโทโธพุโทโธเป็นคาเดียวเป็นการห้ามความคิดต่างๆให้คิดได้เพียง คิดเรื่องคําเดียวก็คือพุทโธพุทโธเท่านั้นถ้าเราทําอย่างนี้ได้เราจะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เมื่อไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเบาใจก็จะเย็นลงไปตามลําดับจนในที่สุดเมื่อมันหยุดคิดได้อย่างเต็มที่ใจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้บางทียังไม่ต้องนั่งสมาธิเสียด้วยซ้ําไปบางทีเดินจงกรมหรือทาอะไรไปแล้วใจเราก็อยู่กับพุทโธพุทโธไป ถ้ามันอยู่กับพุโทโธแล้วพอใจมันหยุดคิดขึ้นมานี่มันก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธก็มีอยู่ถ้าสติเราต่อเนื่องเป็นสัมปชัญญะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ <Yeah. S 1> นะการทำสมาธิจึงไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในท่านั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวอยู่ในท่าไหนาก็ได้ขอให้มีสติอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองจนความคิดมันหยุดคิด เอามันหยุดคิดเมื่อไหร่ใจก็จะนิ่งเป็นสมาธิเมื่อนั้นทันที น, นี่คืออุปกรณ์หรือสิ่งที่เราจะต้องมีในการที่จะมาสร้างความสุขสร้างลถแห่งธรรมที่ชนะลถทั้งปวงนี้เราจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องมือชิ้นแรกก็คือต้องมีหลักการรักษาศีล สิน8ปดสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ข้อสองก็คือเราต้องมีสถานที่สงบสงัดวิเวก<ม>ข้อสามเราต้องไม่คุกคลีกัน<ม>ข้อสี่เราต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารอย่ารับประทานให้อิ่มจนเกินไปให้พอดับความหิวได้ก็พอ<ม><ม>พอรู้สึกว่าไม่หิวแล้วก็หยุดรับประทานแล้วก็ดื่มน้าแทน ใ ห, ให้มันให้มันให้มันอิ่มด้วยการดื่มน้ําเพราะการดื่มน้ํามันก็จะอิ่มเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวร่างกายก็จ ะ, ะ ไ, มไม่ง่วงไม่ง่วงนอ น, นถ้าอิ่มด้วยอาหารนี่มันจะทําให้ง่วงนอนได้แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือต้องเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับหนึ่งวันหนึ่งคืนนี้ให้เรามาตั้งเป้าอยู่ที่การเจริญสติ มาตั้งเป้าอยู่ที่การรักษาศีลอยู่ที่การปีกวิเวกอยู่ที่การไม่คุกคลีกับใครอยู่ที่การประเมินรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารแล้วก็อยู่ที่การเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยถ้าเราทำอย่างนี้ได้ลดแห่งธรรมนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนี่แหละคือเคล็ดลับของการฝึกสตินั่งสมาธิกัน ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคิดว่าเวลาจะนั่งสมาธิแล้วค่อยมาพุโทโธพุโทโธมันทำไม่ได้หรอกถ้ามาเริ่มต้นตอนที่มานั่งสมาธิแล้วทั้งวันทั้งคืนก่อนที่จะมานั่งนี้ไม่เคยพุโทโธเลยแม้แต่คำเดียวพอมานั่งจะพุโทโธนี่มันพุโทโธไม่ออกพุโทโธได้คำสองคำหายไปแล้ ว, ลวกลายเป็นไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้ว <Okay. S 1> การที่ฝึกขาแบบนี้ ฝึกไปจนมันตายก็ไม่มีวันที่จะได้ผลจากการฝึกสมาธิแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทาําว่าวันหนึ่งอาจจะทําแค่ครั้งสองครั้ง<ม>ก่อนนอนหรือเวลาหลังจากที่ตื่นขึ้นมาแล้วในตอนเช้าถ้าทำเท่านั้นมันยากต่อการที่จะได้ผลจึงควรที่จะมาทําเป็นแบบเป็นมืออาชีพทำแบบเอาจริงเอาจัง ถึงแม้ ว, ว่าจะเป็นการทําแบบชั่วคราวภายในหนึ่งวันกันหนึ่งคืนก็ อ, อย่างน้อยทําให้มันเป็นแบบเต็มรูปแบบไปเลยอย่าทําแบบมือสมัครเล่นวันหนึ่งนั่งสมาธิครั้งสองครั้งครั้งละสิบนาทีครั้งละสิบห้านาทีทําอย่างนี้ไปจนวันตายก็ไม่มีวันที่จะได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการทําใจให้สงบได้เลยต้องเอาวันพระนี่แหละเป็นวันที่เราจะมาเอ สร้างความสงบให้กับใจกันต้องทําอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยแล้วรับประกันได้ว่าจะต้องได้สัมผัสกับผมอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วถ้าช้าหรือเร็วก็อยู่ที่การเจริญสติของเราเป็นหลักถ้าเราสามารถจดจ่อให้อยู่กับกรรมฐานที่เราใช้เป็นเครื่องหยุดความคิดได้ไม่ ว, ว่าจะเป็นพุทโธเอก็ได้ หรือการสวดบทเอติปิโสไปก็ได้แล้วมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้ถ้าเราถ้าเราเหนื่อยไม่อยากจะพูดโทรเราเปลี่ยนมาดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนก็ได้ดูว่าตอนนี้ร่างกายเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเราถ้าตอนนี้กำลังนั่งอยู่เฉยๆก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกลมเข้าลมออกก็ให้ดูไป เพื่อควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าไม่ได้นั่งถ้ามีการเคลื่อนไหวถ้าเดินก็ให้รู้ว่าเรากำลังเดินเช่นดูที่เท้าก็ได้ดูที่การก้าวเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่าให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าทำงานเช่นล้างถ้วยล้างชามก็ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ กาลังล้างถ้วยล้างชามก็อยู่กับการล้างถ้วยล้างชามอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ากําลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารอ ย, อยู่ตั้งแต่การตักอาหารจากจานขึ้นมาใส่ปากแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวแล้วก็กลืนลงไปให้ดูทุกขั้นตอนเลยอย่าอย่าทิ้งอย่าอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นอย่าไปอย่าไป เคี้ยวไปกินไปแล้วก็คิดไปถึงคนนั้นคนนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติให้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวตักอาหารจากจานเอาเข้าปากเคี้ยวอาหารคืออาหารตักอาหารจากจานเอาเข้าปากเคี้ยวกินให้รู้อยู่อย่างนี้อย่างเดียวถ้าเรารับประทานอาหารถ้าเราทำอะไรก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราอาบน้ำอาบท่าก็เช่นเดียวกันกำลังฟอกสบู่ก็ให้อยู่กับการฟอกสบู่เวลาที่จะเอาน้ำล้างสบู่ออกก็ให้รู้อยู่ว่าเราลองทำอะไรอยู่ให้รู้อยู่ทุกขั้นตอนเลยเพื่อไม่ให้ใจไปคิดต่างเรื่องราวต่างๆได้ใจก็จะเบาจากความคิดลงไปโดยที่เรายังไม่ต้องไปนั่งสมาธิเสียด้วยซ้าไปถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้ แล้วพอเวลาที่เราอยากจะนั่งสมาธิเราก็นั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ไม่ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งแยกกันก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องจับคู่กันไม่จำเป็นจะต้องพุทเข้าโธออกพุทโธไปอย่างเดียวไม่ต้องดูลมก็ได้หรือดูลมอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดแล้วแล้วแต่เราจะพอใจ เรจะใช้พุดเข้าโทรออกก็ได้บางท่านก็จะเปลี่ยนที่ดูจากปลายจมูกมาดูที่หน้าท้องก็ได้เวลาหายใจเข้าลมท้องก็จะพองขึ้นมาเวลาหายใจออกท้องก็จะยุบเข้าไปก็ดูการยุบการพองของหน้าท้องเราก็ได้ที่เขาเรียกว่ายุบหนอะพองเนาะอันนี้ก็เป็นการเจริญสติเหมือนกันเพื่อไม่ให้คิดปรุงแต่ง ถ้าเราสามารถนั่งเริ่มมีสติต่อเนื่องควบคุมความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้เดี๋ยวจิตมันก็จะหยุดคิดขึ้นมามนบางทีมันก็จะหยุดแบบเกื้อึงเลยกื้อึงแล้วมันก็รู้สึกเอ๊ะทำไมมันนิ่งมันเฉยมันสบายขึ้นมามันเบามันว่างขึ้นมาก็ให้มีสติรู้อยู่เฉยๆไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจนี่แหละคือสภาพของจิตใจที่เปลี่ยน จากจิตใจที่เต็มไปด้วยความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านมากลายเป็นจิตใจที่นิ่งสงบมันจะไปเหมือนอยู่กันคนละโลกเลยนะจิตใจนิ่งสงบนี้มันจะว่างจะเบาจะเย็นจะสุขไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจไม่ต้องกลัวอะไรไม่มีไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นขอให้เรามีสติประคับประคองความสงบนี้ต่อไปอยาอย่าไปคิดอย่าไปตื่นเต้นตกใจแล้ว มีความคิดปรุงแต่งหวาดกัวอะไ ร, รต่างๆขึ้นมาต้องหยุดมันให้ได้ให้รู้เฉยๆหรือว่านี่แหละคือผลที่เราจะได้รับจากการฝึกสมาธิบางคนก็จจะตกลงเหมือนกับตกลงมาจากที่สูงวุบลงมาใจวิวว่างแล้วก็เย็นสบายนิ่งสงบถ้าเวลาจิตนิ่งสงบแล้วไม่คิดปรุงแต่งแล้วเราไม่ต้องทําอะไรแล้วตอนนั้นพุโทโธก็ไม่ต้องพุโทโธถ้าใช้พุโทโธ ดูลมมก็ไม่ต้องดูลมเพราะฉะนั้นลมมันก็จะหายไปพุทโธมันก็จะหายไปเลื mm ้อ hmm. แต่ความว่างให้เราสักแต่ว่ารู้ไปเฉยๆไปแล้วเ้าประคองความว่างความสงบนี้ไปให้นานที่สุดเท่าที่จะเท่าที่จะนานได้ mm hmm. พอถึงเวลามันเริ่มคิดปรุงแต่งเริ่มอยากจะอยากจะลุกอยากจะเลิกถ้าเราอยากจะทําต่อเราก็เริ่มต้นใหม่เราก็ใช้คําริกน ร, รมพุทโธพุทโธใหม่หร mm ือ hmm. ใช้สวดบทอิติปิโสใหม่ หรือใช้ดูลมหายใจใหม่เพราะช่วงนั้นแสดงว่าสติเราหมดสติเราอ่อนกำลังลงแล้วไม่สามารถทำใจให้นิ่งให้สงบได้นะถ้าเราอยากจะให้ใจนิ่งสงบต่อไปโดยที่ไม่ต้องลุกขึ้นมาเราก็เติมสติเข้าไปดูลมหายใจเข้าออกถ้าดูได้หรือปฏิกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างใดอย่างหนึง่งหรือจะสวดอทีพีโสไปก็ได้ โดยเราจะถ้าเราชอบใช้อาการสามสิบสองเราก็เท่า อ, อาการสามสิบสองไปก็ได้จีสาคือผมโนมาคือขนหรือจะเอาคำแปลอย่างเดียวก็ได้ผมขนเนืฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปให้ใจมีอะไรทำมันจะได้ไม่คิดที่อยากจะลุกขึ้นมาจะได้นั่งต่อไปได้นานๆการนั่งได้นานๆการทำใจให้นิ่งเฉยๆได้นานๆ น, นี้เรียกว่าเป็นการสร้างอุบเบกขาขึ้นมะทําให้ใจวางเฉยได้นาน เวลาออกจากสมาธิมาใจก็จะเฉยจะเย็นกับเหตุการณ์ต่างๆเวลามีอารมณ์อะไรมากระทบก็จะไม่วุ่นวายใจเหมือนเมื่อก่อนเเหมือนตอนที่ไม่มีความสงบเวลาไม่มีความสงบนี้เวลามีอะไรมากระทบกับใจนี้ใจจะวุ่นขึ้นมา ท, าทันทีใจจะร้อนขึ้นมา ท, าทันทีใจจะต้องมีปฏิกิริยาขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้าเราฝึกสมาธินั่งสมาธิอยู่ได้นิ่งๆนานๆ น, า น, น, า น, นี้เราจะมี อุเบกขาอุเบกขาจะมีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับเราจะวางเฉยได้มากขึ้นตามลำดับเวลาสัมผัสรับรู้อะไรเมื่อ ก, ก่อนก็อาจจะโกรธขึ้นมาทันทีหรืออาจจะเสียใจขึ้นมาทันทีแต่พอมีอุเบกขาแล้วพอมาสัมผัสรับรูน้นี่มันก็จะเฉยได้ไม่ไม่เดือดร้อนใครจะพูดอะไรก็ปากของเขาใครจะชมใครจะด่าก็ห้ามเขาไม่ได้ไ่อ้เขาว่าไปชมไป อะไรจะเกิดฝนจะตกแดดจะออกมันก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศเราก็ควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าใจมีอุเบกขาแล้วใจก็จะไม่ค่อยวุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆแม้ต่อแม้แต่ร่างกายของตอนเองถ้าจ ะ, จะเกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาก็สามารถวางเฉยได้แต่มันจะวางเฉยได้ไม่นานเพราะว่ามันเป็นเหมือนน้ำน้ำเย็นที่เราเอาไปแช่ในตู้เย็นนี่แหละ เวลาแช่อยู่ในตู้เย็นน้ำมันก็จะเย็นมันรับความเย็นจากจากตู้เย็นและเวลาออกจากตู้เย็นใหม่ๆมันก็ยังจะเย็นอยู่แต่ถ้าทิ้งไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวความเย็นมันก็จะค่อยๆจางหายไปผู้เบิกขาก็เหมือนกับความเย็นของใจนี่เวลาอยู่ในสมาธิก็เหมือนเอาใจเข้าไปในตู้เย็นไปแช่เย็นทําให้ใจเย็นทําให้ใจนิ่งทําให้ใจเฉย แล้วเวลาเอาใจออกจากสมาธิมาพอมาสัมผัสรับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆตอนใหม่ๆก็จะเฉยจะเย็ยนได้ไม่ค่อยวุ่นวายใจเท่าไหร่แต่สักพักหนึ่งแล้วความเฉยมันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วมันก็จะเริ่มเกิดอาการวุ่นวายใจขึ้นมาได้ถ้าถึงตอนนั้นแล้วก็ต้องมีวิธีการต้องกลับเข้าไปสมาธิใหม่ก่อนเพื่อไปเติมอุเบกขาใหม่ก่อนแต่การเติมอุเบกขาแบบนี้มันก็จะ ต้องทําอยู่เรื่อยๆเอามาอยู่ข้างนอกสักพักหนึ่งเย็นได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ร้อนขึ้นมาพอใจเริ่มร้อนก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่พระพธเจ้าจึงสอนอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ใจเย็นต่อไปหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วออก็คือให้มาใช้ปัญญากันให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรู้นี้มันเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตา เส้นเสียงนี่เราไปสั่งให้มันมีแต่เสียงดีๆเสียงงามๆให้เราฟังไม่ได้บางทีก็มีเสียงไม่ดีเสียงไม่งามรูปเสียงกลิ่นรสมันมีทั้งสอ ง, สอ ง, สองแบบแบบสุขแบบทุกข์เนี่ยเราจะไปเลือกเอาแต่เอาแบบสุขอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีสารเสริญมันก็มีรินทาตามมาแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้นี่คือการใช้ปัญญาสอนใจ ให้เข้าใจธรรมชาติต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรู้คือโลกกระทำเนี่ยที่เราสัมผัสกันรับรู้กันเนี่ยมันเป็นของที่เราบางทีควบคุมบังคับไม่ได้บางทีอยากจะได้เงินก็ไม่ได้บางอย่างทีไม่อยากจะเสียเงินก็ต้องเสียบางทีอยากจะได้ตําแหน่งก็ไม่ได้บางทีไม่อยากจะได้ตาแหน่งมันก็ได้ก็มีมันเป็นเรื่องของ อนัตตาคือเป็นของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นธรรมชาติไม่มีใครควบคุมบังคับมันได้นอกจากนอกจากธรรมชาติมันเป็นผู้ที่จะมีเหตุมีปัจจัยทาให้มันเจริญทาให้มันเสื่อมขึ้นมาเองเราต้องเข้าใจธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้แล้วสอนใจให้เราวางเฉยอย่าไปยินดียินร้ายอย่าไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขอรอมเป็นความสุขที่จะทําให้เราต้องทุกข์ต่อไปอย่าไปยินดีถ้าเราไม่ยินดีร้ายกับโลกธรรมกั บ, กบเหตุการณ์ต่างๆแล้วใจเราก็จะวางเฉยได้จะไม่ตื่นเต้นตกใจจะไม่ห ว, ว่าดตัวเช่นเดียวแมนกับร่างกายของเราเราก็ต้องเข้าใจว่ามันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งที่เราก็ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ร่างกายมันจะเจ็บมันก็ต้องเจ็บใบห้ามมันไม่ให้เจ็บไม่ได้มันจะเป็นโรคมะเร็มันก็ต้องเป็น ถ้ามันจะเป็นขึ้นมาแล้วใครจะไปหยุดมันได้ถ้ารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปให้มันตายไปถ้ามันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้อยู่ดีคนไม่เป็นโรคมันก็ตายได้เหมือนกันความตายมันมันมันมากับความเกิดของทุกคนใครมาเกิดแล้วนี่ไม่มีใครหนีพ้นความแก่ความเจ็บความตายด้วยกันทั้งนั้นให้เห็นความจริงของธรรมชาติเหล่านี้แล้วใจจะไม่วุ่นวายเวลาที่มาสัมผัสรับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆ ใจจะวางเฉยเป็นอุเบกขาได้โดยที่ไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิแต่ถ้ายังไม่สามารถใช้ปัญญาสอนใจให้วางเฉยได้เวลาใจวุ่นวายก็ต้องกลับไปพึ่งสมาธิก่อนกลับเข้าไปในสมาธิทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบก่อนอันนี่คือลถแห่งธรรมที่ชนะรดทั้งปวงคือความสงบความนิ่งเฉยความไม่วุ่นวายความไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆอันนี้แหละคือรถแห่งธรรม ถ้าเราใช้ปัญญาเราก็จะเห็นว่าความทุกข์ของเราความวุ่นวายใจของเรานี้มันมาเกิดจากความอยากของเราอยากได้สิ่งที่เราชอบอยากได้สิ่งที่เป็นสุขสิ่งไหนเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้แต่มันเป็นไปไม่ได้เราอยู่ในโลกที่มันเป็นเหมือนเหรียญสองด้านเหรียญมันมีสองด้านสิ่งต่างๆในโลกนี้มันก็มีสองด้านมีสุขมีทุกข์สลับกันไปหมุนไปเวียนมาเราไปเลือกเอาอย่างเดียวไม่ได้ เวลาเราไปเลือกเราเราจะทุกข์เราจะทำาะมานใจเวลาเราอยากจะได้ความสุขเวลาได้ความทุกข์ราอยากให้ความทุกข์หายไปเวลามันไม่หายไปมันก็จะทําให้เราทุกข์กันเวลาไม่มีความสุขอยากจะได้ความสุขเวลาไม่ได้ความสุขก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราต้องหยุดความอยากของเรากับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้บอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาแสดงตัวของเขาไป เขาจะสูขก็ปล่อยก็แสดงไปเขาจะทุกข์ก็ปล่อยเขาแสดงไปเขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายก็ปล่อยเขาแสดงไปเราเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นก็ให้รู้ไปตามความเป็นจริงแล้วใจเราจะนิ่งสงบจะเย็นจะสบายไม่วุ่นวายไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆ ท, ที่เกิดขึ้นมานี่แหละคือเรื่องราวที่เรามาศึกษา ม, มาปฏิบัติกันเพื่อมาสร้างความสงบความวางเฉยให้กับใจถ้าเราสามารถวางเฉยได้ด้วยปัญญาแนละ้ว เราก็จะสามารถที่จะอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างได้เราจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆ ท, ที่ปรากฏขึ้นมาไม่ว่าจะดีหรือจะเชื่อไม่ว่าจะเป็นจะตายใจเราจะไม่เดือดร้อนเพราะใจเราไม่ได้เป็นอะไรกับสิ่งเหล่านี้ใจเราเป็นเพียงแต่เป็นผู้รู้เท่า น, นั้นเองปลกให้ใจเป็นผู้รู้ให้เป็นผู้วางเฉยให้เป็นผู้มีอุบเบกขาแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป นี่แหละคือลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงกุใจที่ดูดท้นจากความทุกข์ด้วยการมาฝึกสติด้วยการมาเจริญศีนสมาธิปัญญาฝึกสตินั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาปัญญาให้เห็นให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาแล้วใจเราก็จะได้ปล่อยวางหยุดความอยากต่างๆเมื่อไม่มีความอยากแล้วใจเราก็จะสงบไปตลอดนี่แหละคือลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเรวหาปุราริปุเรนติสากลังเอวามีวาอิโตจินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏทิตังตุม e หังคิปเมวะสมิจตโตสัพเพปุเรนตุส an ังกปา จันโทปันะราโสยธามณิจโตติราโสยธาสะพิทยโยวิวาจันโตสะพารโควินาสตุมาเตภวัตะวันตะบายุสุขีติคาโยโกภวะอภิวาทนสีมิกสะนิจังวุฒาปจายโน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 วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กา่ารณมสารพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับชมทางเฟ e บุ o k พระอาจารย์485ท่านทาง YouTube พระอาจารย์230ท่านทางด r V c h ตอร์วชาแนล87ท่านวิทยุออนไลน์11ท่านครับเฮาส์13ท่านหน้ากุฏิ110ท่านรวมทั้งหมดเป็น936ท่านเจ้าค่ะ มีคำถามจากผู้รับฟังธรรมหน้ากุฏิเจ้าค่ะเวลาภาวนาไม่มีความสุขเลยค่ะแต่บังคับตัวเองให้ทำมันหนักๆมีครั้งหนึ่งไปเที่ยวทะเลคนเดียวคิดว่าจะไปพักอยู่กับตัวเองไม่ภาวนาแล้ว ปรากฏว่าเวลาเดินริมทะเลบางทีก็พุทโธเล่นเล่นเดินเล่นเล่ น, ล น, ลนสบายๆนั่งริมทะเลมันรู้สึกลมรู้สึกลมเองมันมีความสุขมากค่ะตื่นเช้าก็อยากรีบไปทะเลเลยตอนเย็นก็รีบไปเดิน นั่งกลับมาที่พักก็นั่งดูลมก็มีความสุขมากเพราะกลับมาที่บ้านก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมตั้งจิตในการภาวนาผิดใช่หรือเปล่าคะตั้งใจเกินไปหนูคิดว่าแบบนั้นแต่พอภาวนาทีไรมันก็ตั้งใจอีกเลิกตั้งใจไม่ได้อยากรบพวนขอแนะนำจากพระอาจารย์ค่ ะ, ะส่วนหนึ่งก็อยู่ที่สถานที่ที่เราไปปฏิบัติ สถานที่ที่สัปะยะที่เหมาะกับเราถูกเจริตกับเราพอเราได้ไปอยู่ที่อย่างนั้นมันก็ทําให้ใจเราสงบได้ง่ายดัยงนั้นบางทีก็ต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมกับเราด้วยคําถามจากคุณอนุวัต์เจ้าค่ะขอาการสอบถามพระอาจารย์ถือสินแปดอยู่ที่บ้านและสามารถดื่มน้ำสปอนเซอร์ขวดได้ไหมคะขอบพระคุณค่ะ น้ำสวราเ์เซอร์มีแต่และเกลือละพวกนี้ดื่มได้ปัญญาเหมือนปัญญาคำถามจากคุณกะรยากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะถ้าเราจะจับมแมลงวันไปปล่อยนอกบ้านโดยเอาแก้วคอบแล้วเอากระดาษแข็งปิดฝาแล้วไปปล่อยเนอกหน้าต่างแต่ตอนเราครอบแก้วเกิดไปทับเขาตายแบบนี้ยังเป็นบาปไหมครับพระอาจารย์กราบขอบพระคุณค่ะ ก็ไม่บบปหรอกถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าเขาแต่ถือว่าเป็นอุบัติเหตุก็ต้องระมัดระวังว่ามันมถ้าเราผิดพลาดก็อาจจะทำให้เขาเสียหายได้คำถามจากคุณสมบูรณ์ศีสิบข้อเก้าข้อสิกบกำหนดอย่างไรเจ้าคะคือสินแปดนี่มันเป็นสินเก้าสข้อเจ็ดนี่มันมีนสองข้อด้วยกัน คือการไม่ดูหนังฟังเพลงแล้วก็การไม่แต่งเนื้อแต่งตัวนี้เป็นสินเป็นสิน ส, สองข้อแต่เข้ามารวมกันเป็นข้อเดียวเฉะนั้นศินแความจริงก็เป็นสินเก้าแล้วสินข้อที่สิบของของถ้าอยากจะทำให้ครบเป็นศินสิบก็คือข้อที่สิบนีก็คือการไม่จับต้องเงินทองคือไม่ใช้เงินใช้ทองไม่หาเงินหาทองของความหมายอย่างเ้ยให้อาศัยให้อยู่ด้วยให้อยู่ด้วยการให้ของผู้อื่น เป็นพระนี่ก็ไม่ต้องไปหาเงินหาทองไม่ต้องใช้เงินใช้ทองให้อาศัยการบินธบาตเป็นการเลี้ยงชีพไปคำถามสุวรรณจากคุณสุวรรณีเจ้าค่ะเมื่อวานลูกเหยียบวูเหลอมขนาดใหญ่บนมอเตอร์เวย์และไม่สามารถบนรถกลับไปดูได้ไม่รู้เป็นตายรู้สึกไม่สบายใจเลยค่ะควรวางใจอย่างไรดีคะ ก็เป็นอุบัติเหตุสุดวิสัยที่เราไม่สามารถทำอะไรได้ก็ต้องปล่อยปล่อยให้มันผ่านไปคำถามจากคุณดีเอกราบนรรมสการครับมีแค่มนุษย์เท่านั้นใช่ไหมครับที่สามารถทำบุญได้หากไปเกิดสวรรค์หรืออบัยภูมิจะไม่สามารถทำบุญได้อะไรได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นเทวดานี่ยังไม่ โอกาสที่จะฟังเทศฟังธรงธรมปฏิบัติธรรมได้อยู่แต่ต้องมีพระอาหารหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่สามารถติดต่อกับเทวดาได้อย่างพระพุทธเจ้านี้ทรงสแสดงธรรมปรดเทวดาทุกคืนแล้วถ้าเทวดาฟังแล้วเข้าใจก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ค่ะแล้วเราจะดูยังไงว่าตัวเรามีบารมีพอจะบวชได้หรือยังครับอ๋อ ถ้าบวชได้มันก็มีบารมีถ้าบวชไม่ได้ก็ยังไม่มีบารมีคำถามจากคุณสุกัญญาเจ้าค่ะแกราบนรัมสการถามเจ้าค่ะการที่เราจะแยกกายกับจิตได้ควรปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะแกราบขอความเมตตาเจ้าค่ะคือการแยกกายกับจิตนี้แยกส อ, ส, อสองวิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือให้นั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบ ใจก็จะแยกออกจากร่างกายเชื่วเพลาแล้วพอออกจากสมาธิมา <S 2> <S 2> <S 2> เรารู้แล้วว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันเราก็มาสอนใจด้วยปัญญาว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเราเป็นนายกายเป็นบ่าวเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆร่างกายเป็นผู้รับใช้คําสั่งของเราการสอนเตือนเตือนใจเวลาร่างกายเป็นอะไรใจก็ไม่ต้องไปตื่นเต้ตนตกใจเพราะใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายอันนี้แยกด้วยปัญญา แต่ต้องแยกด้วยสมาธิก่อนให้เห็นชัดก่อนว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันแต่พอออกจากสมาธิมาร่างกายกับใจก็กลับมาอยู่รวมกันอันนั้นก็ต้องใช้ใช้ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่เราเราเป็นใจผู้รู้ผู้สั่งการทนั้นเอง คำถามต่อไปจากคุณศ ส, สินิมลเจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาที่เรารู้ว่ากําลังจะตายเราต้องตั้งสติใช่ไหมเจ้าคะก็ต้องทําใจให้สงบแล้วสิ่งที่จะทำใจให้สงบก็มีสองสติอย่างหนึ่งหรือปัญญาอย่างถ้ามีสติพุโทโธพุโทโธไปใจนิ่งก็จะตายอย่างสบาย ถ้ามีปัญญาก็พิจารณาร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยวางร่างกายปล่อยให้มันตายไปใจก็จะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายคำถามต่อไปจากพระพานุพงเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมคือพระสามรูปที่วันนั้นเข้าไปกราบพระอาจารย์ครับผมจะสอบถามว่าตลอดวันผมพยายามภาวนาพุโทโธแต่ยังคงสงสัยว่า ถ้าเวทนาเกิดเช่นปวดข่าผมควรกำหนดบริกรรมพุทโธหรือกำหนดที่ปวดครับพุทโธต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรก็ใช้พุทโธอย่างเดียวอยู่กับพุทโธอย่างเดียวแล้วใจจะสงบใจจะไม่วุ่นวายคำถามจากเฟ e b ุ o กเจ้าค่ะจากคนทีคัฒนา การเจ็บป่วยต่างๆมีผลจากวิบากกรรมเก่าวใช่ไหมเจ้าคะหรือมาจากกิเลสที่เราทําขึ้นมาเองเจ้าคะควรทําอย่างไรให้สุขใจกับการเจ็บป่วยซึ่งเราก็รู้ว่าเขาคือธรรมชาติแต่ใจยังกังวลอยู่คะ่ะขอให้พระอาจารย์มีทาตัขันแข็งแรงเจ้าคะ่ะก็การเจ็บป่วยมันก็มีหลายสายเหตุด้วยกันอาจจะเป็นเพราะอาดีตกรรมชาติก่อนแล้วปัจจุบันก็คือวิธีการดูแลร่างกายของเรา ถูกสุขลักษณะหรือไม่อันนี้ก็มีส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นผลที่เกิดจากการเกิดถ้าเกิดแล้วต่อให้ดูแลดียังไงต่อให้ไม่มีบาปกรรมอะไรในอดีตมันก็ยังต้องป่วยอยู่ดีก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยให้เราต้องยอมรับกับความจริง<ม>แล้วก็อย่าไปทุกข์กับมันพยายามปล่อยวางร่างกายให้ได้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันดูแลมันไปถ้ามันป่วยรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้มันจะตายก็ปล่อยมันตายไป คำถามจากเฟซบุ๊กเจ้าขาคุณสิงโตกระผมเป็นผู้ปฏิบัติใหม่ครับสามสี่วันมานี้นั่งภาวนาแล้วรู้สึกตัวยินบ้างมุดก้อนเมฆบ้างขนลุกบ้างหลังจากนั้นรู้สึกนิ่งเหมือนกิ่งหลับเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่รู้ลมตลอดมีสติรู้ตัวตลอด แต่เมื่อถึงเวลาออกจากภาวานาไม่อยากออกครับเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มแบบนี้กำลังสติอ่อนและหลับในใหม่ครับก็มีส่วนถ้ามันเป็นสมาธิจริงๆมันจะต้องตื่นตัวเต็มที่แสดงว่าสติเริ่มอ่อนกำลังลงมันก็เลยเกิดอาการเค้า om, ขึ้นมาได้ก็พยายามปลุกสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธขึ้นมาคาถามจากยูท <centimeters S 2> ูเ <six> จ <months now> ้าค่ะ จากคุณทิพย์ชาวดอนขอถามหลวงปู่ว่าคนเที่ยวของวัดไปใช้ในกิจการร้านอาหารของตัวเองถ้าหากตายไปจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรบ้างขอรับหลวงปวู่ถ้าของของคนอื่นไปโดยให้เขาไม่ให้ไม่อนุ ญ, ญาตก็เรียกว่าเป็นการขโมยเป็นการขโมยตายไปก็ จ, จะไปเป็นเปรตได้คำถาม จากยูทูบเจ้าค่ะแล้วเทวดาที่สามารถฟังธรรมได้จําเป็นต้องเป็นคนที่เคยมีอภิญญา ก, ก่อนไหมคะหรือว่าเทวดาทุกองสามารถฟังธรรมได้ได้ก็สามารถฟังธรรมได้ถ้ามีคนไปแสดงธรรมให้เขาฟังแต่เขาก็ต้องสนใจเพราะเทวดาบางพวกก็ชอบไฮโซชอบเที่ยวชอบกินชอบดื่มเขาก็จะไม่ไปฟังธรรมนั่นต้องมีมีบุญเก่าต้องมีความชอบฟังธรรมมาก่อนในอดีต พอได้ข่าวว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระหลานจะมาแสดงธรรมเขาก็จะมากันเหมือนเนี้ยที่เนี่ยวันพรพระเนี่ยคนที่เขาชอบเที่ยวเขาก็ไปเที่ยวกันคนที่เขาชอบฟังธรรมเขาก็มาฟังธรรมกันอยพวกนี้เวลาตายไปไปเป็นเทวดาก็เวลามีพระพุทธเจ้าห ร, รือมีมีพระหลานไปแสดงธรรมก็จะไปไปฟังธรรมต่อ